ว่าเราไม่มีไม่มีเรามันก็ยังมีเราอยู่เวลาเจ็บป่วยไข้ก็ต้องไปหาหมอดูแลรักษามันก็มีเราอยู่ ม, เมีเรามีเรามีแต่ว่าไม่ยึดมันมีอยู่ตรงนี้นะเรานนะมีมีนะมี มันสมมุติว่าเป็นเรามันเป็นแค่ธรรมชาติธรรมชาติเฉยเฉยให้ร่างกายก็ประกอบไปด้วยรูปรขันนี่รูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เอามาประกอบกันเฉยเฉยนะเหมือนประกอบรถยนต์ดูซิปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเราโอ้ยทำไมมีพระพุทธเจ้า ตัวเราของเราอันนี้ก็เราอันนั้นก็เราอันนี้ก็ของของเราอันนี้ก็เป็นตัวเรามันก็เป็นเราไปหมดเลยจิตใจก็เราความคิดก็เป็นเราบางทีไม่ได้ ย, ดดยึดไม่ได้ยึดรูปไม่ได้ยึดร่างกายนะไปะยึดแค่ความคิดอะคิดขึ้นมาแล้วก็หลงว่าความคิดนี่มันเป็นตัวเรา บางทีคิดแวบๆบแบบเดียวนะโอ้ปรุงแต่งซะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ห้ามไม่ได้อีกนะความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดถ้ามีจิตมีใจเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ให้รู้ทันไม่ไปยึดว่ามันเป็นเราให้มันเห็นว่าเป็นแค่ความคิดถ้ามันดีสมควรทำเราค่อยทาตามทามันไม่ดีไม่สมควรทาตามเราก็ไม่ทา คือไม่ดีนี่ไม่ทำเลยต้องหยุดหยุดสิ่งที่ไม่ดีซะก่อนนะสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาเลยไม่ทำเลยนี่ต้องขนาดนั้นนะธรรมะมันจึงจะเกิดได้เมื่อสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำแล้วไม่พูดไม่คิดขนาดนั้นนะต้องเข้าไปทันจนกรงทั่งรู้ไม่ดีแล้วไม่คิดเลยยับยังได้เลย ทีนี้พูดทำชิดมีแต่ดีทีนี้ถ้าดีจริงก็ต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ไอ้ว่าเราดีเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเนี่เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ได้อีกนี่นะี่ยมันก็เลยมีแต่มีแต่อุปาทานมีแต่ความหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา เวลาจะละนี่มันมาละความรู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นนะไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นเราขันห้าประกอบกันขึ้นมาเป็นเราเอาส่วนย่อยย่อยย่อยย่อยอันนี้รูปประขันรูปประขันแยกย่อยได้อีกนะมาหาภูตะ ร, รูปทั้งสี่รูปคือธาตุดินรูปคือธาตุน้ํารูปคือธาตุลมรูปคือธาตุไฟธาตุใหญ่ๆมารวมกัน จากนั้นก็ธาตุย่อยๆอาศัยธาตุใหญ่นี่แหละซึ่งเราไปเรียกว่าผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงก็นี่แหละไปจากธาตุสี่อันนี้นี่ทีนี้ย่อยๆย่อยๆเหล่านี้ถ้าย่อยลงไปอีกนะเขาสามารถย่อยละเอียดนะเป็นนุนล่ะเป็นเซลในเซลก็ต้องมี มีตรงกลางแล้วก็มีรอบๆเป็นส่วนเล็กๆเล ๆ, ๆมีเป็นอนูเป็นปรมณูเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนโอโ้โหจนมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นขยายด้วยกล้องจุงลทรรศไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่าเห็น แล้วก็เห็นด้วยนะว่าเกิดดับด้วยนะแต่พวกนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นนะว่าว่าว่ารูปเนี่ยฝ่ายรูปฝ่ายร่างกายนี้ก็เกิดดับเขารู้นะแต่ว่ามันไม่มาดับอุปาทานไม่สามารถดับความยึดมั่นถือมัน่นไอจิตที่ไปยึดด้ร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะมันดับไม่ได้มันไม่รู้ทางออกนะตเตาแห่งฟิสิกส์เนี่ยนะเขาก็บรรยายนะ ว่าสุดท้ายเนี่ยรูปเนี่ยก็เป็นเกิดดับเนี่ยเขาพูดได้เลยนะอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้เลยเตาแห่งฟิสิกส์เขาว่าแต่ว่าเขาไม่รู้ทางนี่ในร่างกายคนเราเนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยข้างในลึกๆข้างในที่ส่วนละเอียดมันเกิดดับนะตายไปส่วนนั้นตายไปอันนั้นก็เกิดขึ้น แก่ลงไปดับไปเนี่ยสลายไปอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องการอาหารเอาเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกนี้เอาไปเสริมสร้างส่วนที่มันตายไปนี่ข้างในมันก็แก่ตัวแล้วก็ตายนะแต่เราไม่รับรู้ตรงนี้ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้แต่ถ้าทางธรรมะรู้ได้เข้าใจได้เออเนี่ยแปลก เนี่ยทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝ่ายรูปนี่ก็เห็นว่าเกิดดับได้ฝ่ายน้ำเวทนาขันเนี่ยกองแห่งเวทนาสุขทุกขเนี่ยไอ้ทางกายมีสุขทุกขเนี่ยสุขทางกายทุกทางกายจิตก็ไปรับรู้ไปสวยบางทีก็เป็นทุกทางใจ สุขทางใจแล้วก็มีอุเบกขาด้วยไม่สุขไม่ทุกทางใจนี่มีสามนะทางกายมีสองเนี่ยวิทนานเวิทนาขันเนี่ยถ้าจะแยกไปอีกก็ได้อยู่เนี่ยวทนานี่แต่อันนี้เราแยกแค่เป็นเวทนาห้าว่าเออเวทนทุกทุกขเวทนาทางกายสุขเวทนาทางกายสองแล้วก็ เวทนาทางจิตสามสุขเวทนาทางจิตทุกขเวทนาทางจิตแล้วก็อุเบกขาเวทนาบางทีสุขเวทนาทางจิตเขาเรียกโส ม, มนัสนะทุกขเวทนาทางจิตเขาเรียกโท ม, มนัสนะแล้วก็อาทุกขมสุขเป็นเวทนานี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเรา เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเราอีกอะมีแต่เป็นตัวเราเป็นของเราถ้าได้ยินได้ฟังก็แค่เข้าใจนะแค่ได้ยินเฉยๆนะแต่ถ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสติมีแล้วสติมีแล้วทีนี้จนกระทั่งจิตเนี่ยมันมันนิ่งละมันเป็นสมาธิมันแน่วแน่และตัวที่บอกว่า จิตเราเป็นสมาธิก็คือตัวที่จิตมันเป็นหนึ่งมันมีอารมณ์เดียวเขาเรียกเอกกัคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมันนิ่งมันแน่วแน่มันอยู่ข้างในถ้าหาว่ามันนิ่งแต่มันไม่สามารถไปเข้าใจอะไรไปรู้อะไรตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธากรมฐานอยู่มันไปได้แค่สมาธิได้แค่ความสงบนะ มันยังไม่ยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทำให้จิตของคนเราเนี่ยมันก็เลยไม่กว้างเวลาความคิดความอ่านมันก็แคบนี่แหละมันมันมันบอกให้รู้ว่าองคจิตเนี่ยมันแคบเพราะว่าจิตไม่มีกําลังมันสติมันก็ไม่มีกําลังสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอะไรมันไม่มีพลัง มันไม่ไม่สามารถที่จะขยายพลังของจิตนี่ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ความเข้าใจมันก็น้อยมันก็คับแคบอยู่กับเรื่องตัวเองเท่านั้นน่วนเวียนอยู่กับเรื่องตัวเองเวลากระทบอารมณ์ก็เข้ามาเป็นตัวเราเกี่ยวกับเรื่องของเราเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากกินนั่นอยากกินนี่ อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้วนเวียนอยู่กับเรื่องตัวเองเนี่ยมันมันไอปัญญาตัวเนี้ยไอกำลังของจิตเนี่ยมันไม่พอแล้วไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ละเอียดคือมองออกไปรอบรอบเนี่ยมันก็มองไม่กว้างถ้าว่าสติจิตเนี่ยมันมีกำลังปัญญามีกาลังเนี่ยมันเหมือนกับมองจุดเดียวอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนกับ ค่าของจิตเนี่ยหรือความรู้ของจิตเนี่ยมันขยายออกไปครอบคุมได้หมดเลยมันไปเข้าใจอะไปเข้าใจเรื่องข้างนอกได้คนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อ่าคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนี้คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ทำนั้นทำนี่หรือจะเป็นการงานก็เออการงานอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนั้นไปถึงไหนแล้วอันนี้ไปถึงนั้นแล้วไปถึงไหนแล้ว นี่คือตัวปัญญาอันนี้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเนี่ยมันเหมือนกับมันมันมีกำลังมันก็เลยออกไปรู้โดยไม่ต้องคิดด้วยนะนี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับจิตที่เราที่มันยังแคบอยู่จิตแคบๆทำอะไรมันได้คิดคิดเนี่ยเรื่องนี้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องมันก็เลยช้า แล้วบางทีก็มีความเห็นของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยไม่ได้เป็นธรรมทีนี่เนี่ยมันผ่านความคิดมันผ่านตัวตนตัวเราออกไปมันไม่เหมือนจิตที่มีกำลังถ้ามันเป็นอุเบกขาไม่มีตัวตนยิ่งไม่มีตัวตนเลยอะ่ะโอ้มันออกไปเป็นธรรมไปเลยออกไปแล้วก็เป็นธรรมถูกต้องทาอะไรก็เพื่อทำเพื่อความถูกต้อง มันก็เลยแตกต่างกันคุณภาพของจิตเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันให้ประโยชน์มากมันทำให้คุณภาพของจิตเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยมุมมองภายในจิตมันก็ต่างกันด้วยเพราะนั้นจิตที่มันยังขาดสติปัญญาเนี่ยมันมันอารมณ์มันแคบมันก็มายึด ยึดร่างกายบ้างยึดเวทนาอะไรเกิดขึ้นกระทบจิตพอจิตไม่สบายเท่านั้นแหละโอ้โหเรื่องตัวเองมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเราวนเวียนมันก็ไหลไปกับกองทุกข์จมอยู่กับทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันเป็นธรรมชาติเลยนะลองถ้าเป็นทุกข์เมื่อไหร่นะมันจะทำให้เราเนี่ยไปคุ้นคิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์นั่นแหละ วนไปเวียนมาเขาว่าอย่างนั้นเราทําอย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราว่าไปอย่างนี้เขาว่ามาอย่างนี้น่าจะตอไปอย่างนี้ไม่น่าทําอย่างนั้นน่าจะทําอย่างนี้โอ้โหมันไอเรื่องเก่านั่นแหละซ้ําไปซ้ํามาวนไปเวียนมามันก็เลยออกจากทุกข์ไม่ได้มีตัวเราด้วยมีอุปทานไปยึดด้วย แล้วมันก็เป็นธรรมชาติของจิตที่มีทุกข์ด้วยว่าต้องหลงหลงจมอยู่กับกองทุกข์หลงจมอยู่กับเรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วแก้ก็แก้แก้ไม่ถูกเลยเพราะมันมันส่งไปข้างนอกหมดแล้วมันจะสัดทอดสัดโทษ อ, ออกไปให้คนอื่นออกไปข้างนอกหมดเนี่ยเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้น ถ้าไม่ทำแบบนั้นก็ไม่เป็นแบบนี้วนไปเวียนมาอยู่เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจแล้วนะไอคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันจริงละได้ยากแล้วเวลาจะแก่ทีนี้พอมันมันส่งออกไปนอกแล้วมันไม่มาดูเหตุที่แท้จริงละถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะบอกได้ทันทีเลยเป็นเพราะจิตเนี่ยมันขาดสติขาดปัญญามันปรุงแต่งขึ้นมามันไปยึด แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็หลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราวนเวียนอยู่กองทุกข์ถ้าจะมาแก้มาแก้ที่นี่นั่นถ้าเป็นผู้ที่เจ้าจะบอกอย่างนี้แต่คนที่กําลังเป็นทุกข์อยู่นั้นหวังพึ่งข้างนอกอยากจะไปแก้คนนั้นอยากไปแก้คนนี้หรืออยากให้ใครสักคนหนึ่งมาดึงออกไปหวังพึ่งอิทธิฤทธ์หวังพึ่งปาฏิหารไปสะดอกเคราะไปดูหมอ เขาให้แต่งแก้ให้ทาอะไรก็วิ่งไปทำเพราะมันไปแก้ข้างนอกแล้วเข้าวัดก็ไปลดน้ำมนต์คือมีแต่หวังพึ่งปฏิหารมันแก้ไม่ตรงจุดทีนี้แล้วทุกมันจะดับได้ยังไงอ่ะนี่คือชาวโลกนะเนี่ยนี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเราจะหวังให้โลกนี่มีความสงบสุขเลิกคิดเลิกหวังได้นอกจากมาปฏิบัติ แล้วทำให้จิตใจของเราเข้าหาความสงบสุขเอาเราให้รอดพ้นไปจากความทุกข์ดีกว่าอย่างน้อยมีเราคนหนึ่งละที่กำลังที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเลยยังมีความหวังนะถ้าไม่งั้นละก็ไปตามกันไปหมดเลยยังมีคนถามเวลาไปสอนนะ่ะแล้วไม่ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเลยเหรอ เขากำลังมีปัญหามีความขัดแยง้งมันไปช่วยพูดช่วยบอกเขาเหรอพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้มาแก้ที่เราเพราะโลกมันแก้อย่างนี้คือไปเที่ยวพูดไปเที่ยวบอกแล้วมันก็เลยไปจมอยู่กับกองทุกข์ด้วยกันแล้วไม่มีทางออกเลยมีแต่ความขัดแย้งที่นี่พระพุทธเจ้าบอกทางออกแล้วต้องมาแก้ที่จิตของแต่ละคนเลย ไม่งั้นแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่เราแล้วที่มันมีปัญหาอยู่ล่ะนั่นแหละปัญหาของโลกถ้ายังมีโลกอยู่ปัญหานี้ต้องมีอยู่ต่อไปเพราะจะให้คนทุกคนมาเรียนรู้มาศึกษาวิธีดับทุกข์ตามทางของพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ด้วยต้องยอมรับตรงนี้ที่นี่ยอมรับแล้วก็เอาเราซะก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนมาที่เรานะสอนมาที่แต่ละคนเลยนะ เนี่ยเพราะนั้นเวลามันมีทุกข์มันมีสองอย่างสังเกตได้ทันทีเลยนะใครกำลังมีทุกข์อยู่เนี่ยหนึ่งจะต้องจมอยู่กับความทุกข์นั้นหลงอยู่กับวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์จิตก็ไหลไปเพลินไปธรรมะเข้าไม่ได้เลยไม่มีช่องเข้าไปมันก็ยิ่งอ่อนละหยลอยแรงจิตก็เหนื่อยลา้าซึมเศร้าเงาง้อยน้อยเนื้อต่ำใจเศร้ามองคุณ มัวโกรธเคืองพยาบาทอาฆาตจองเวนโมโหโกรธเคืองอยู่อย่างนั้นแะวนไปเวียนมาอยากทำลายอยากทำลายปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นะด่าว่าาหนิติเตียนทำอะไรไม่ได้ก็อยู่ในใจนี่แหละบีบคั้นจิตใจตัวเองนี่นี่มันมันต้องหลงอยู่กับความทุกข์หลงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ทำให้ทุกข์แทนที่จะออกจากมันออกไม่ได้ วนเวียนอยู่กับมันมันก็ยิ่งหนักสุดท้ายก็มาคิดว่าเออทําลายตัวเองไม่มีเราไม่อยากมีเราเพราะเราเป็นทุกข์แต่ก็ออกไม่เป็นออกไม่ถูกก็มาฆ่าตัวตายนะหวังว่าเออเนี่ยไม่มีเราเสียหมดเรื่องแต่มาทําลายร่างกายป ร, ประหารประหารร่างกายทําลายชีวิตของตัวเองแต่อจิตมันตายไม่เป็นที่นี่ไอ้ตัวทุกข์มันคือตัวจิตที่นี่โอ้โหมันยิ่งทุกหนักเลยที่นี่ เพราะมันไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจมเลยทีนี้นี่ผิดทางแล้วทีนี้นั่นแต่ถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเอามามีสติดูนี่แก้ถูกแล้วทีนี้ต้นเหตุมันไปจากจิตนี้เป็นเพราะจิตเราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรดูมันเลยเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วมันต้องมีตัวเรามันต้องหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นทุกข์ถ้ามีสติเข้าไปดูตรงนี้แค่ดูแค่ดูเราถอยออกมาเป็นผู้ดูแล้วนานแค่นี้เบาลงไปเยอะแล้วเพราะเรากําลังดูอยู่ถึงจะยังมีทุกข์อยู่แต่ความพยายามที่จะดูนะ่ะมันมีแล้วมันถูกทางแล้วที่นี่อย่างน้อยได้พยายามแล้วพยายามไปพยายามมาได้จังหวะปุ๊บดับปุ๊บเลยนะบางทีดับไม่รู้ตัวก็มีนะปุ๊บมันหายไปเมื่อไหร่วัเนี่ยน่ะนี่เป็นด้วยเออ แค่คอยดูคอยดูไปมันยังอยู่ยงอยู่ยิ่งอยู่พอพอกําลังมันพอเหมือนเค็มๆ เ, เหมือนเผอเผย น, นิดหนึ่งวุ้บเฮ้ยอ่อมมันดับไปแล้วเนี่ยบางทีก็จับได้บางทีส่องดูเลยบางทีส่องดูปับปับปับปับจอดจอจ อ, จอดดูหายไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาไปเลยจิตก็เลยว่างก็เป็นได้ด้วยบางทีทุกกายก็ดูทุกกายก็มี เอาบีบคัน้นบีบคั้นดูดู ด, ดูดูไปบางทีเหมือนจิตปล่อยปุ๊บมาดูตัวเองทีนี้ปุ๊บมาดูตัวเองเฉยๆเลยอทุกเมื่อกี้นี่ถึงรุนแรงขนาดไหนนะ้บางทีโอ้ยเหมือนใจจะขาดนะไอ้ทุกข์ทางกายบางทีมันบีบคันนะ้นอะเหมือนใจจะขาดแต่ดูไปดูไปทนดูไปเท่านั้นแหละพอจิตมีกําลังพับมันวางพับโอ้โหโล่งเบาสบายที่สุดเลย จนแปลกใจเลยนะมาดูจิตเฉยๆอยู่อ้าวมันหายไปได้ยังไงเนี่ยทีนี้จิตมันจะรู้ทางนะทีนี้อ้าวมันมีทางออกอมีทางออกทุกหนักๆพอเรามีสติดูทีนี้เราไม่กลัวแล้วทุกทุกทางกายมาก็เหมือนกับทุกทางจิตก็เหมือนกับทุกทางกายนี่แหละขอให้มันดูได้เท่านั้นแหละสุดท้ายมันจะดับดับในทีนี้คือดับไปจากจิตนะหมาะว่าจิตไม่เอาจิตปล่อยจิตวาง คือสติเนี่ยมั น, ม, นมันมากลายมาเป็นกําลังของจิตทําให้จิตมีกําลังทีแรกกําลังไม่พอก็ดูสะก่อนตั้งสติดูดูดู ด, ดูสติดูก็มีสมาธิอยู่ในั้นด้วยมีความเพียรอยู่ในนั้นด้ว ย, ม, ว ม, ย, ย, นนวยมีปัญญาอยู่ น, นั้นด้วยศรัทธาก็เพิ่มพูนขึ้นอีกเนี่ยมันจะเลยทําให้จิตมีกําลังก็เลยจิตนี้ก็เลยเป็นผู้รู้ไปน่ะนี่ธรรมะก็เลยมาอยู่ตรงนี้ทําให้จิตเนี่ยสามารถรู้ดูเฉยๆได้ ไม่เข้าไปจมอยู่กับกองทุกข์ทุกข์ที่เคยบีบคั้นมันเลยไม่รู้จะบีบคั้นอะไรมันก็เลยเป็นธรรมชาติอันนึงโอ้โหเข้ามาเข้ามาถึงนี่ได้เนี่ยแหมเนี่ยดูซิมันเวลามันเข้าถึงความจริงนี่นะมันต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัตินะแล้วต้องมีสติมีสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยกําลังมันต้องถึงด้วยมันจึงต้องปฏิบัติจะมาอยู่วัดแล้วให้มันขัดเก่าไปแล้วให้มันทุกข์มันดับ มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมันยังไม่ตรงทางทำนิดนหน่อยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีอยู่นั่นแหละสติก็เดี๋ยวมันสตินี่มันก็ไม่แน่นอนนะมันเป็นอนัตตาเหมือนกันบังคับบัญชามันไม่ได้หรอกสภาวะธรรมทั้งหมดแต่ตัวสมาธิก็เหมือนกันมันไม่ได้แน่นอนนะบางจังหวะมันก็ดีบางจังหวะมันก็ไม่ดีอ่ะ มันแต่ความตั้งใจนี่นะถ้าใครมีความตั้งใจมีกำลังใจเข้มแข็งเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ได้เร็วออมันมีความเด็ดขาดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันมันเหมือนกับว่ามันพร้อมเลยนะสติสมาธินี่มันเหมือนกับมันมันเป็นอันเดียวกันเลยนะทาทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่จิตได้เลยถ้าจิตมีกำลังมีความอ่านหานมีความจริงจังตอนที่ปฏิบัติอยู่จริงได้อธิษฐานนะเพราะว่ามันต้องการกาลังแบบเนี้ย อธิษฐานมันจะพ้นทุกเนี่ยใจมันก็เลยมุ่งอยู่ตลอดเลยมันไม่สามารถที่จะไปสนใจอย่างอื่นได้มันก็จดจ่ออยู่แต่ตรงเนี้ยถึงจะมีอะไรมาดึงไปก็เล็กเล็กน้อยน้อยเดี๋ยวมันก็กลับมาพยายามอยู่อย่างเนี้ยอย่างน้อยก็พบชาติมันก็สั่นลงอะความหวังที่จะพ้นทุกมันก็เกิดขึ้นในจิตของเรานี่จึงว่าถ้าราศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ย มันตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีตรงไหนที่มันเป็นเราเลยนะขันห้าก็มาประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราลูก ป, ประขันนี่ก็โอ้โหแยกย่อยก็ม่ลุกลูกทั้งมหาภูตะลูปรูปใหญ่ใหญ่ีแล้วก็ยังมีอุปาทายาลูกรูปย่อยย่อยย่อยอีกนอกจากนั้นนดูให้ละเอียดลงไปโอ้โหเป็นเซลล์เล็กๆอเป็นโปรตอนนิวตอนอิเล็กตอนลงไป เป็นพรมนูเป็นอนูลงไปอีกย่อยลงไปเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูซิมันแล้วแล้วมันเป็นเราตรงไหนมันสมมุติว่าเป็นเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลามันรวมกันอ่ะมันก็เลยเหมือนว่าเป็นเราอ่ะเพราะมันเห็นอยู่นี่นะเป็นก้อนอยู่ก็จริงก็สมมุติว่าเป็นเราเฉยเฉยมันรอเวลา เสื่อมสิ้นสลายไปตามธรรมชาติของมันมันจึงเป็นธรรมชาตินี่ลูกฝายลูกก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งมารวมกันขึ้นมาเป็นสมมุติว่าเป็นเราแล้วเวทนาก็มันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดเหมือนเราเดินนานเราก็เหนื่อยเรานั่งนานเราก็เจ็บเราก็ปวดเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นมันก็สุดโสมลงไปไอ้ร่างกายเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงได้เราไม่ทุกข์นะ ายอมรับความจริงไม่ได้ทุกไงทุกเพราะมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่รู้ความจริงไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นเองดูสิทุกก็เลยมาอยู่ที่จิตนี่แหละเพราะความหลงผิดเนี่ยถึงว่านั้นไปที่ไปงานโศพบอกว่าเนี่ยความตายมันมันเป็นศัจธรรมมันเป็นความจริงอะ่ะทุกคนก็ต้องตายอะ่ะถ้าใครยอมรับความจริงได้มันก็ไม่ทุกอะ่ะถ้าไม่อยากให้เขาตายอยากให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาพาัฒนาจากไปคนนั้นทุกแน่นอนเลย จะเรียกว่าทุกข์เพราะความโง่ของตัวเองก็ใช่เพราะไม่ยอมรับความจริงไม่อยากให้เขาตายอยากให้เขาอยู่ยังยืนตลอดไปมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้พราะมันไม่รู้ความจริงไม่ยอมรับความจริงความคิดความอ่านไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่านั้นแหละทุกมาดันทีเลยใช่ไหมว่าทุกมาเพราะความไม่รู้เนี่ยเพราะอวิชชาเนี่ยแล้วก็มีอุปทานมีตัณหาอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ อยาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันจึงทุกดูได้เลยนะเรื่องลูกเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่เขาเป็นทุกอีกแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเออพอแก้ไขยังไงก็แก้ไปแก้ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เอา้ากรรมของเราแล้วต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้ทุกกระเบาลงอีกเนี่ยมันจึงต้องคิดให้เป็นด้วยนะขอพัวก็ตามเรื่องอะไรก็ตามคิดให้มันถูกคิดให้มันตรง แล้วความทุกข์มันก็น้อยลงแต่ถ้าจะดับทุกข์จริงๆอริยมรรคมีองค์แปดนั่นทางชัดเจนเลยนะต้องมาเจริญสติมาประพฤติปฏิบัติให้จิตมีกําลังพอมีมีสมาธิเม็ดเอาเวทนาทางกายก็เห็นเคยเจ็บเคยปวดเคยทรมานเนี่ยถ้ากําลังมันพอมันไม่ทรมานนะมันเห็นต่างอันต่างอยู่อ่ะเออจิตก็เป็นอันหนึ่งเวทนาเป็นอันหนึ่งอยิงธนัลก้าเท่าไหร่พรอนปล่อยได้เท่านั้นแหละ บางทีจิตยิ้มเลยนะยิ้มน้อย น, อ ย, นอยได้ด้วยโอ้โหมันไม่ใช่เราเลยเนี่ยเจ็บแทบเป็นแทบตายอะ่ะเหมือนจะเป็นจะตายอะ่ะบางทีเคยนะโอ้โหจะเป็นจะตายเหมือนกับมันจะไม่ไหวจริงๆรนะพอมันวางทพิ่มไปอโอ้โหมันหลอกเรานี่นะ่ะเหมือนจะเป็นจะตายแต่จริงมันไม่ตายอ่ต่อหน้า ต, ต่อตาแวบเดียวเท่านั้นแหละขณะที่ทุกกําลังกุ้มลุมอยู่แล้วมันดับไปอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปอีกสภาพหนึ่งอะ่ะ แล้วจะให้หลงยึดเวทนาว่าเป็นเราโอ้มันยึดไม่ลงยังไงยังไงก็ยึดไม่ลงยึดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะจิตมันเห็นแล้วอ่ะแต่คนที่ไม่เห็นเนี่ยโอ้โหแล้วจะไม่ให้มันไม่ยึดมันก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันยังไม่เห็นมันไม่ได้เห็นจัดๆในจิตของตัวเองมันไม่ผ่านขบวนการของมาร์กมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาญาณ แล้วจะมาด้านเดาคิดเอาหรือจะมาปรุงแต่งคำพูดให้สวยงามขนาดไหนจิตตัวเองไม่เป็นน่ะมันมีน้ําหนักหรือเปล่ามันไม่มีพูดได้แต่เวลาตัวเองเป็นทุกข์ขึ้นมาจมอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิมแล้วเวลามันมีความทุกข์เวลาแก้ปัญหาน่ะมันแก้ปัญหามันก็ไม่ตรงเพราะมันไหลไปกับความทุกข์แล้ว มันไหลไปก็ไอ้เรื่องเราที่ทําให้เป็นทุกข์แล้วแค่ไม่พอใจอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งโอ้โหสารพัดเรื่องคําพูดมันจะมาอีกแบบหนึ่งเลยความคิดเป็นอีกแบบหนึ่งเลยกับการที่มันรู้ความจริงปั๊บมันวางแล้วเนี่ยความคิดก็เป็นแบบหนึ่งคําพูดออกมาก็เป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอํานาจของธรรมเนี่ยมันจึงมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ในจิตเรา ความทุกข์ความบีบคั้นอยู่ในจิตเรายังไงยังไงปัญหาก็ไม่หมดถ้ามันยังมีความหลงผิดยังมีตัวเราอยู่ยังมีความลุ่มหลงอยู่นี่แหละวิธีแก้ของพระพุทธเจ้ามันจึงเด็ดขาดเลยเบ็ดเสร็จเลยเด็ดขาดแน่นอนเลยทางอื่นไม่มีทางหรอกเพราะนั้นให้โลกเขาจะพูดยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่อยากฟังแล้วละ่ะเพราะมันเข้าใจแล้วว่าโอ้มันแก้ไม่ได้ เป็นอย่างนี้มานมนานแล้วตั้งแต่โบราณกาลนุ่นละตั้งแต่เริ่มมีโลกนุ่นละสมัยที่เขาว่าสร้างโลกอะพมอะพมลงมาเกิดอะยังไม่มีเพศมองกันไปมองกันมาเกิดความรู้สึกชอบใจกันขึ้นมาเพศเริ่มปรากฏนะคนนึงก็เป็นชายฝ่ายนึงก็เป็นหญิงจากนั้นก็เสพสมกันขึ้นมากับรสชาติติดเป็นหญิงเป็นชายมาจนปัจจุบันนี้แหละ มันมาจากธรรมชาตินะค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเพราะนั้นรู้เลยว่าไอความทุกข์ไออุบัติเหตุอุบัติภัย อ, อะไรทั้งหลายเนี่ยนี่แหละมันมาจากจิตนี่แหละจากอากุศลภายในจิตนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คิดดูกันแล้วกันจากพรมที่ไม่มีเพศเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเพศ ช, ชายได้เลยเป็นขึ้นมาเลยจากตันหาความรู้สึกพึงพอใจ อยากเสพสมเสพสมเข้าไปติด ม, มันมาจากจิตมันไม่น่าเป็นไปได้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เวทนาทางกายเวทนาจิตก็อยู่ในนี้ละ่ะทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบขาเวทนามันไม่เกินนี้ก็ดูเอาได้ในจิตเราเนี่ยทุกทางกายสุขทางกายเวลามันสุขมามันก็โปร่งโล่งเบาสบายทราบซ่าน ในร่างกายซ่าไปทั่วร่างกายก็มีเแเรามันทุกข์คือมันมบีบคั้นเหมือนใจจะขาดเลยบางทีเหมือนจะทนไม่ไหวเหมือนจะตายจริงๆเลยแต่ถ้าลองทนในตรงนี้สำคัญตายเป็นตายเด็ดขาดเนี่ยบางทีโอ้โหมันได้วางได้ถ้าน้ำหนักมันพอเนี่ยบางทีมันหายหลงไปเลยนะนิ่จึงว่าทุกข์มากสุขมันก็มากเลยนะทุกข์มาก แก้ปัญหามันต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องมาเนี่ยมันต้องถึงกันเนะี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวเลยนะเวลาทุกข์มันเกิดเวลาปัญหามันเกิดแต่กำลังใจเราพอไหมความสงคัญมันอยู่ตรงนี้นะกำลังใจก็ได้มาจากการปฏิบัติความเพียรความพยายามความอดทนความมุ่งมั่นเด็กเดียวสู้ ไม่ถอยอย่างนี้มีหวังถ้าใจไม่สู้แล้วก็หมดท่าเลยนะอย่าเอาสบายๆนั่งๆ น, นอนนอนก่อนแล้วนินกินแล้วนอนหวังใจะให้ทุกมันหมดไปโอ้ก็ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแหละสัญญาสัญญาก็จจำจำได้ไหมรู้ก็เป็นธรรมชาตินะไอเนี้ยสัญญาขันท่นานเดียวสัญญากองแห่งสัญญา สัญญามันเกิดได้ยังไงอะมันอาศัยผัสสะนะกระทบปั๊บมันเข้าไปเห็นมันก็ไปจำได้ได้ยินเสียงมันก็จำได้เนี่ยเสียงก็เห็นทางกระทางตาสัญญาก็จำเกี่ยวกับรูปเขาเรียกรูปสัญญาจำเกี่ยวกับเสียงจำเกี่ยวกับกลิ่นจำเกี่ยวกับรสจำเกี่ยวกับไอ้พวกสัมผัสเนี่ยผุทธภาที่มาถูกต้องสัมผัสจาธรรมาลม เนี่ยมันอยู่ในหกอย่างนี้แหละไอ้ความจําของคนเราเนี่ยบางทีมันก็จําเรื่องรูปเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของมันจําได้บางทีมันก็จําเรื่องเสียงเ อ, อคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เสียงนั้นเสียงนี้มันกันจำกลิ่นเหมือนกันจำรสรสชาติโอ้อเอร็ดอร่อยวันหลังอยากเอามาอีกเนี่ยอยากได้อีกวันนี้เอาน้อยวันหลังถ้ามีจะเอาเยอะเยะเนี่ยไอ้ตัวสัญญาตรงเนี้ยมันเป็นหี มันสัมผัสนิ่มนวลเออมันใ้มันนิ่ม ม, นน ม, มันนวลมันสบายนี่อันนี้แข็งกระด้างอยากไม่สบายทำให้เจ็บปวดคันทรมานเนี่ยไอ้สัญญานี่มันไปจำเรื่องราวที่มันมากระทบใจเราเป็นธรรมารมเนี่ยสัญญามันก็ไปจำพวกนี้แหละจำมาแล้วมันก็จะพูดในจิตก่อนนะ เขาเรียกเป็นวัจีสังขารเ ป, เป็นวัจีสังขารปรุงแต่งจากนั้นก็พูดเนี่ยเพราะนั้นตัวสัญญาเนี่ยมันจริงเอาชอบเอามาพูดกันมันมีการพูดเป็นผลเวลาคนพูดมันจะพูดออกมาจากสัญญามันต้องเห็นเห็นเยอะอธิบายรูปรูปที่เห็นถ้าไม่เคยเห็นอธิบายไม่ถูกนะพูดไม่ถูกเลยอะ่ะต้องได้เห็นนี่ตัวสัญญามันเป็นอย่างนี้นะ ไปรู้ไปเห็นมาหรือมันก็ได้ยินมาก็อธิบายตามที่ได้ยินนั่นแหละได้กินมาอธิบายตามที่ได้กินได้ลดก็อธิบายตามที่ได้ลดสัมผัสถูกต้องก็อธิบายอาการที่มันมันสัมผัสเรื่องราวที่มันกระทบใจมันก็พูดได้นี่เป็นเรื่องของสัญญานะแต่ก่อนไม่มีอ่ะพอกระทบอารมณ์แล้วมันไปจำมา ก็เลยเป็นสัญญาขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีอ่ะแล้วจะเป็นหลงยึดมาสัญญาที่มันมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ที่อาศัยหเหตุปัจจัยแล้วมันกระทบขึ้นมาแล้วมันมาจำเนี่ยจะว่าเป็นเรามันไม่ได้บางทีมันก็ลืมเล ด, ด้วยจาแล้วก็ลืมด้วยจึงว่ามันเป็นเราไม่ได้เนี่ยนีนในเวลาเวลาพระพุทธเจ้าเนี่สอนให้ให้รู้จักแยกส่วน แยกออกไปดูสังขารโอ้โหธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีปฏิยาอย่างหนึ่งนะมันน้อมไปสู่อารมณ์คิดนึกปรุงแต่งอารมณ์มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราเลยนะที่มันปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งได้นี่มันก็ไปตามธรรมชาติของมันเฉยๆลองเห็นพับเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกขึ้นมาละนี่เป็นปฏิยานะยังไม่มีกิเลสยังไม่มีอะไรหรอกรู้สึกละ ยัไงไดีเนี่ยโซมีอะไรดังเสียงดังก็เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยมันต้องมีแล้วเนี่ยในจิตเราเนี่ยวิ่งดีหรือว่าหยุดดีหรือทํายังไงีทอยหลังดีหรือเติรนหน้าดีนั่นปฏิกิริยาของจิตนี่แหละสัญชาตญาณอันหนึ่งมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติทีนี้เราไม่รู้ตรงนี้สิมันก็เป็นเราสิทีนี้มีสังขารก็ปุ้งแต่งไปเหลืองนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นเ อ, อ่า วนไปเวียนมาแต่ก่อนก็ไม่มีด้วยสังขารอันนี้มันจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะธรรมชาติของจิตมันต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ไอเราไม่รู้เนี่ยเราก็ยึดว่าเป็นเราปรุงแต่งขึ้นมาก็เราเป็นเราแค่ความคิดก็เป็นเราได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ละ จะไปมวนหลงมายึดว่าเป็นเราขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เราอะวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันก็มารับรู้อารมณ์อะรู้แจ้งอารมณ์ช่วงกระทบปับ๊บตากับลูกกระทบกันเมื่อไหร่มันจะต้องมีเขาเรียก่จักคู่วิญญาณมีตัววิญญาณมารับรู้ทันทีเลยมันเกิดเป็นขบวนการทางธรรมชาตินะคือมันต้องมีสามสามอย่างเวลากระทบอารมณ์เนี่ย มีตาแล้วก็มีรูปแล้วก็มีวิญญาณมันจึงเกิดการเห็นขึ้นมานะ่ะหูได้ยินเสียงก็กินต้องมีหูแล้วก็ต้องมีเสียงแล้วมีโสตวิญญาณเข้ามารับรู้เสียงนั้นน่นมันต้องมีสามอย่างนี้ตลอดเลยมันมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้ไปสร้างขึ้นมานะ่ะเราอยู่เฉยๆนี่แหละไอ้พวกนี้พอเหตุปัจจัยมันถึงปับ๊บมันก็เกิดขึ้นแต่เราก็เป็นเราได้ยิน เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสโอ้หมันรวดเร็วมากเลยนะตัวตนเนี้ยเพราะนั้นเราจะมาคิดให้มละหวังให้มละได้เองมันเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องมาปฏิบัติอีกนั่นแหละต้องมาเจริญสติแล้วสติธรรมดาเล็กๆกเ ล, กเลกน้อยมันจะเข้าไปถึงเหรอเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็หายไปเพราะมันเกิดดับบังคับบัญชามันไม่ได้มันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านของคนนั้นไม่อยากปฏิบตัต อยากเอาง่ายๆเอาสบายอยู่สบายๆไปวันๆหนึง่งธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ดับทุกไม่ได้เพราะมันมีความหลงผิดอยู่ในจิตถ้ารู้ทานเนื่อเห็นพวกนี้เห็นการทำงานของมันพอเห็นการทำงานของมันแต่ละส่วนทำงานกันไปทำงานมาวนเวียนอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าเป็นเรานะแต่ถ้ายังไม่เห็นนี่ มันก็ยังเป็นเราอยู่หรือได้เห็นบ้างนี่เออความเป็นเราก็ต้องลดลงแล้วอย่างน้อยรู้แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองอย่างน้อยมีความหวังละเพราะถ้าเราปฏิบัติไปอย่างเงี้ยต้องเห็นมันแน่วันใดวันหนึ่งฮะมันก็มีความหวังขึ้นมาดิพอพอมันเห็นอย่างนี้นะเหมือนมันมีแสงสว่างขึ้นในจิตอะแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยเขาเรียกปัญญายานเนี่ยโอ้โหมันมันไม่อยากเอาอะไรเลยนะนี่ มันเบิกบานเลยนะมันคนละอย่างไอ้ปีติที่เกิดจากเห็นธรรมเนี่ยกับปีติที่มันเกิดจากไอ้ไอ้ความสงบเล็กๆน้อยๆอู้มันคนละเรื่องเลยนะไอ้ปีติที่มันบูบว่าพอสมาธิอะมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายกับการที่มันเห็นธรรมแล้วมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคลายจางคลายไปได้นี่โอ้มันเป็นปีติทำมาปีติบางทีน้ําตาไหลแต่มันไม่น้ำไหลแบบ แบบว่าดีใจเสียใจแบบนั้นใกล้ใมันมันเห็นมันเห็นของจริงเฉพาะหน้าเนี่ยมันเกิดเกิดทำมาปีติขึ้นในจิตมันเลยมีผลต่อร่างกายด้วยเพราะนั้นเวลาเราอยู่เฉยๆเราจะมีภาพรวมในใจเราว่าเป็นเรามีร่างกายมีจิตใจมีความรู้สึกเป็นตัวเรา เราต้องทำนั่นเราต้องทำนี่เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องมีกันทุกคนพลทหารก็ต้องมีเราควรทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้แต่ว่าท่านรู้แล้วท่านไม่ยึดว่าเป็นเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำก็ทำแต่ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นนะ่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตเนี่ยมันมาเห็นความจริงมากหรือน้อยนี่คือมีทำต่างกันตรงนี้นะ เวลาอารยาิยมรรคในองค์แปดมีกําลังเนี่ยมันเห็นความจริงมากหรือน้อยถ้าจะไล่ดูมันก็เป็นตามลําดับบอว่าเออเริ่มมีสติขึ้นมาหรือยังจิตเริ่มเป็นสมาธิหรือยังจิตเริ่มแน่วแน่ขึ้นมาหรือยังสติสัมปชัญญะมีกําลังทําให้จิตเนี่ยตั้งมัน่นคือมันเริ่มขยายตัวแล้วมันเริ่มรับรู้ได้กว้างขึ้นแล้วหรือยังถ้ามันกว้างขวางขึ้นมาแล้ว อะไรเกิดขึ้นมันก็เริ่มรู้โดยที่จิตอย่างแน่วแน่อยู่นี่เรียกว่าจิตตั้งมัน่นทีนี้จิตมันก็เห็นเนี่ว่าเอาเกิดเองดับเองมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พูดมาเมื่อกี้นี้เวลาข้างในมันจะไปเห็นความจริงรู้ความจริงเพื่อปล่อยวางแต่ทีนี้เวลาออกมาข้างนอกอ่ะความจริงเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ตลอดนะมันมันยังไม่แจ้งไม่ชัดมันยังไม่ดับ มันยังไม่หมดอ่ะมันก็ยังมีเราอยู่นะเนี่ยสมมุติว่าเป็นเรามันมีตัวเราอยู่มันก็จะทําตามความพอดีทีนี้เหมาะสมยังไงมันก็จะทําอาศัยธรรมข้างในแล้วก็เวลาออกมาสู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะรู้ความเหมาะสมรู้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําคือความรู้มันเริ่มกว้างขึ้นจิตมันขยายตัวออกมาแล้ว เวลามันจะตัดสินอะไรมันตัดสินได้กว้างขึ้นมันไม่มองแคบๆเฉพาะจิตเฉพาะความเห็นตัวเองมันมองภาพรวมทั้งหมดเลยเขาทําอันนั้นเพื่ออะไรเขามีเหตุผลอะไรถึงเราไม่รู้เราก็พอที่จะแยกแยะได้เขาน่าจะมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่ยอมตัดสินลงไปเพราะมันมองได้รอบแล้วมองได้กว้างแล้ว ความผิดพลาดมันก็น้อยด้วยมีอำนาจของธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตัดสินใจสรุปอะไรง่ายๆถ้ายังสรุปอะไรง่ายๆอยู่ถึงจะสงบขนาดไหนแน่วแน่ขนาดไหนก็แสดงให้รู้ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่กว้างขวางเพียงพอมันยังแคบอยู่ก็เลยตัดสินใจตัดสินง่ายๆเวลาพูดออกมาปั๊บเนี่ยคำพูดนี้มันบอกเลยนะ หรือแม่การแสดงออกก็เหมือนกันมันออกมาจากจิตมุมมองภายในจิตมันกว้างหรือมันแคบถ้ามุมมองภายในจิตมันกว้างใจที่ยอมรับสถานการณ์ต่างๆมันก็ยอมรับได้กว้างขวางมันไม่มาสรุปอะไรง่ายๆมันต้องมีเหตุผลในตัวของมันเองมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันไม่ว่าใครทาอะไรต้องมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในตัวคนนั้นทาให้ต้อง ตัดสินใจแบบนั้นคิดออกมาแล้วก็พูดออกมาแบบนั้นทําออกมาแบบนั้นเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจึงสําคัญมากสติมันมีกําลังมากขึ้คุมจิตให้อยู่จิตก็แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวยังตามอารมณ์อยู่ยังไม่สามารถออกไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทั้งหลายจึงเรียกว่าสมถกรรมฐาน แต่ถ้าสติมันมีกําลังแล้วมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันเป็นความรู้นี่รู้ว่าจิตเราเป็นยังไงรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงควรทํำยังไงเป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์ควรเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนควรเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยทําไงมันถึงนี่ไม่หลงให้มันรู้อยู่ตลอดพวกนี้เป็นเป็นเรื่องของ ความรู้เป็นตัวสัมปชัญญะมันจึงทำให้มีปัญญาแก้ไขตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองกากว่ามันได้เห็นว่าเออนี่มันมันมันไม่ใช่เราบ้างโอเคได้เห็นครั้งเดียวนี่จำได้นะเคยเห็นครั้งเดียวครั้งที่เป็นคาราวานนะครั้งแรกที่เห็นเนะ่ะมันเบาจริงๆนะจนมันมีคำตอบให้กับตัวเองว่าเออที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เราได้สิ่งนี้เองนะเห็นอันนี้ังทุกขังอนัตตาชัดเจนแต่ยังไม่ถึงกับปะหารกิเลสยังไม่ถึงบรรลุมรรคอะไรเลยขนาดนั้นมันก็เบาแล้วแล้ว ก, ก็การดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยมุมมองภายในจิตก็เปลี่ยนไปด้วยแค่เห็นพระไตรลักษณ์ที่มันเห็นด้วยจิตจริงๆอ่ะการทำงานทำการอะไรเปลี่ยนไปหมดเลยควบคุมเองก็ได้ดี เวลาออกมาข้างนอกมันจึงมีภาพรวมอยู่เป็นภาพรวมองค์รวมเหมือนเป็นเราอยู่สมมุติว่าเป็นเราเฉยๆมันไม่สามารถแยกแยะว่านี่รูปนี่เวทนานี่สัญญาสังขารวิญญาณแบบละเอียดแบบอยู่ในสมาธินอกจากว่าใครปฏิบัติจนกระทั่งมันธรร ม, มะมีกําลังแล้วมันวางอย่างอื่นออกไปหมดแล้วมันเหลือแต่พวกจิตพวกอะไรมันจึงไปดูรายละเอียดได้พระพุทธเจ้าจึง จึงสอนให้เห็นเห็นส่วนย่อยๆไปด้วยแล้วก็เห็นมองแบบองค์รวมได้ด้วยเหมือนพอลาลันก็เหมือนกันนะเวลาท่านมาเกี่ยวข้องท่านก็ใช้สังขาร น, นี่แหละแบบองค์รวมก็คือว่าควรทำอย่างนั้นก็ทำไปควรพูดพดไปหัวเราะยิ้มแย้ ม, ยมแจม่มใสว่ากันไปดุด่าว่ากล่าวว่ากันไปนี่คือมันมันมันมาแบบองรวมมาเกี่ยวข้องกันแล้วเกี่ยวข้องภายนอกแต่เวลา เข้าไปอยู่ตามลำพังมันก็เข้าไปอยู่ข้างในโน้นมันไม่อยากเกี่ยวข้องกับอะไรเลยทีนี้ยิ่งอยู่คนเดียวเงียบยิ่งชอบมันสบายอยู่กับความจริงหรือไม่งเอาฟังธรรมะอ่านธรรมะศึกษาธรรมะมันเบิกบานเพราะมันอยู่กับความจริงแต่ถ้าออกมาข้างนอกเกี่ยวข้องกันเราจะไปเอาให้มันเป็นสัจธรรมอยู่ตลอดมันไม่ได้มันก็ต้องว่ากันไปตามสมมติ คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปจบแล้วท่านไม่ยึดไม่ติดไม่ข้องก็ ค, คือกลับมาหาความจริงอีกนี่ชีวิตมันก็เลยเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งต้องเข้าไปรู้ความจริงภายในเป็นเรื่องของแต่ละคนเลยอีกส่วนหนึ่งต้องเอามาเกี่ยวข้องกันจากภายในมันรู้ความจริงมากมันก็เกี่ยวข้องกันถูกต้องเหมาะวร ดีงามปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาการรู้สัจธรรมอันนี้ที่เวลาการเกี่ยวข้องมันก็จะมีเรื่องแก้ปัญหาเรื่องถกเถียงเรื่องโน่น เ, เรื่องนี่กระทบอารมณ์บ้างที่เวลาไปปฏิบัติอันนี้จะมันกลายเป็นปัญญาทีนี้มันต้องเอามาทบทวนดูแล้วนี่พัฒนามันเกิดแล้วเนี่ยมันเข้ามาทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันมีตัวตนเกิดขึ้นตรงไหนเราไปยึดอะไรว่าเป็นเรามันก็จะไล่เลียงสอบสวนอยู่ข้างในนี่เท่านั้นจิตเนี่ยการปฏิบัติมันจึงจำเป็นถ้าจิตมันไม่มีสมาธิใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเอาทมเข้ามาในจิตไม่ได้การปฏิบัติทำมันจึงจำเป็นเกี่ยวข้องกันมันก็ต้องมีบ้างผิดบ้างพลาดบ้างเนี่ยบางทีเราเองก็ผิดพลาด บางทีเขาก็ผิดพลาดเนี่ยผัสสอันเนี้ยมันกระทบกันเนี่ยบางทีเราผิดพลาดมากเขาผิดพลาดน้อยบางทีเขาผิดพลาดมากเราผิดพลาดน้อยนี่มันจึงต้องให้อภัยซึ่งกันและกันตลอดเพราะมันมีโอกาสผิดพลาดทั้งนั้นคือเราก็ยังไม่ใช่พ่อหลานเขาก็ไม่ใช่พ่อหลานแล้วจะไปมัวเพ่งโทษกันจับผิดกันอยู่มันเสียเวลาทิ้งมันเลยเอามาแก้ตัวเองดีกว่าเขาก็แก้เขาเราก็แก้เรา นี่พระพุทธเจ้งสอนให้ลงมาที่ตัวเองนี้มาปฏิบัติทตัวเองนี้ถ้าจะแก้ก็แก้ตัวเองนะคนอื่นก็ให้เขาแก้ตัวเขาอันนี้มิเตย์ไปแก้คนอื่นโอ้ปัญหาเกิดทันทีเลยเพราะมันผิดทางแล้วมันไม่ตรงเพราะเราก็ยังมีตัวสิ่งที่ต้องแก้ไขมันต้องมาแก้เราซะก่อนถ้าแก้เราได้แล้วเออไปแก้คิดแก้คนอื่นเน่ อ น, นั้นก็ควรทำแต่ถ้าเรายังแก้ไขเรายังไม่ได้เนี่ยมันยังมีความหลงผิดอยู่เนี่ยความหลงผิดไปแก้ปัญหาเนี่ยโหเดี๋ยวมันจะไปใหญ่นะ่ะยิ่งแก้ปัญหายิ่งเพิ่มปัญหานี่มันจึงต้องมาแก้ตัวเองพัฒนาตัวเองปฏิบัติตัวเองนีย้ำอยู่อย่างนี้นะแต่ที่มันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่นี่ในชีวิตจริงถ้าผิพาทอะไรเนี่ย จะพูดกันก็พูดด้วยเมตตาธรรมนี่จะกระทําต่อกันก็เมตตาคิดก็เมตตาต่อกันพูดก็พูดแบบมีเมตตาต่อกันทําก็ทําแบบมีเมตตานั่นถึงว่ามนโนกกรรมก็ประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตากายกรรมประกอบด้วยเมตตาเพราะมันมันมันมีเหตุผลอย่างนี้ ถ้าผิดแล้วไม่ยอมให้อภัยกันไม่เมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาตลอดไปอะเราก็มีข้อบกพร่องเขาก็มีข้อบกพร่องบกพร่องอะแล้วไม่ไม่ไม่ไม่เมตตาต่อกันเนี่ยมันไปไม่ได้มันจึงมาลงหลักของพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะต่างคนต่างแก้ไขตัวเองอย่างนี้เลยเขาต้องแก้เขาเราแก้เราไม่มัวแต่จะไปแก้คนอื่นจะมาลงดีใจว่าเราเนี่ย เียวฉลาดแก้ไขคนอื่นมันไม่ตรงบางทียิ่งแก้ยิ่งมีปัญหาด้วยอันนี้คือธรรมของพระพุทธเจ้าพี่น่าได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้ได้ก็คือพยายามเจริญสติพยายามเจริญสติให้สติมันมาควบคุมจิต ระวดระวังจิตจนจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันอยู่มันอยู่กับตัวเองมันอยู่อารมณ์เดียวได้นานขึ้นนั่นจนสติมีกำลังมีสัมปชัญญะถึงอะไรเกิดขึ้นมันยังแน่วแน่อยู่รู้แล้วก็แน่วแน่ด้วยจนทางมันมีความรู้แจ้งขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายอ่ะเออมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วผ่านไป ใจเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราใจมันก็คลายวางออกไอสิ่งเรานี่มันเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดก็คือตัวจิตเรานั่นแหละมันเป็นสติก็กลายเป็นสมาสติไปสมาธิกลายเป็นสมาสมาธิไป น, นัความเพียรความพยายามของเราก็กลายเป็นสมาวยามาไปไอที่ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นมันทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปจิตใจมันก็คายออกเป็นสัมมาสังกัปปะทีนี้มันส้ำรวมของมันเองนี่คำพูดก็ต้องสำรวมเป็นสัมมาวาจาการกระทำการงานมันก็ต้องชอบขึ้นมาสัมมารกรรมมันโตการเลี้ยงชีวิตก็ต้องชอบขึ้นมาสัมมาอาชโวเนี่มันก็กลายเป็นอมากขึ้นในจิตเนี่ย ถ้าพูดในแง่ศีลสมาธิปัญญามันกว้างแต่ถ้าพูดมรคอริยมรคมีองแปดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเป็นส่วนหนึ่งของศีลสมาธิปัญญาบางทีเขาก็พูดรวมๆไปทำนองว่าเอออริยมรคมีองแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าหากมาอธิบายให้ละเอียดเนี่ยอริยมรคมีองแปดเป็นเรื่องของจิตศีลสมาธิปัญญาภายในจิต Watts. แต่ถ้าศีลสมาธิปัญญา มันกว้างศีลสิขาจิตสิขาปัญญาสิขาแต่ถ้าลองปฏิบัติแล้วมันเข้ามาอยู่ในจิตเมื่อไหร่นี่มันจึงเป็นอริยมรรคมีองค์แปดเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่มันแคบลงที่จิตก็เลยเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดรอเวลาที่จะประหารกิเลสรอเวลาที่จะบรรลุมรรคผลบรรลุนิพพานนั่น หมดทุกข์หมดทุกข์ที่นี่หมดทุกข์เพราะการปฏิบัติของเราเองใครปฏิบัติก็ตามเส้นทางอันเดียวกันเลยกับทางของพระพุทธเจ้ามันจึงหมดทุกข์เหมือนกันบรรลุมรรคก็บรรลุเหมือนกันถึงสภาวะในรายละเอียดไม่เหมือนกันตัวที่มันประหารกิเลสได้มันเหมือนกันมันเท่ากันมันมีจุดร่วมกันอยู่ เพราะนั้นเราปฏิบัติไปเนี่ยในเมื่อมันตรงทางมันถูกทางแล้วความเพียรจึงเป็นสำคัญเพราะน้ำพระ เ, เจ้านี่ยบอกความเพียรเป็นอดับหนึ่งเลยความเพียรก็คือเพียรแล้วตองมุ่งมัน่นไม่ยะเพียรแบบย่อๆหย่อนๆนะมุ่งมัน่นกล้าหาญอดทนใจเข้มแข็งจิตใจต่อสู้ แต่ทีนี้มันก็เกี่ยวข้องกับปรามีของคนด้วยถ้าเรารู้ว่าเออเราเนี่ยอินทรีย์เราขนาดนี้ละก็ยอมรับความจริงก็พอได้คือเราก็จะไม่ไปก้าวกายคนอื่นเราก็ไม่ ไ, ม ไ, ป, ไปจู้จี้จุกจิกกับใครฮะก็คือเราเนี่ยของเราเนี่ยมันระดับนี้อยู่ต้องใจต้องยอมรับต้องทำตามสภาพของตัวเองให้ได้เอาตามสภาพตามความพอดีของเรา อย่างนี้ก็เป็นธรรมสำหรับคนนั้นเหมือนกันแต่ที่มันไม่พอดีอ่ะไอ้ตัวตนมันออกไปมันก็อยากใหญ่ขึ้นมาอยากเป็นผู้นำขึ้นมาอยากแสดงว่าฉันเก่งขึ้นมาฉันดีขึ้นมากิเลส ท, ทั้งนั้นเลยนะที่เราว่าดีนั่นอ่ะกิเลสมันหลอกแต่ธรรมะนี่มันเห็นเป็นของสกรปรกเลยนะสกรปรกเลยนะ เร็วเลยนะไม่ได้เป็นมีส่วนดีเลยไอ้สิ่งที่กิเลมันสร้างขึ้นมาเร็วสุดๆเลยอ่ะสกระปรกที่สุดเลยอ่ะหยาบช้าเป็นอกุศลเป็นบาปในจิตของคนนั้นแล้วยังให้โทษสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนด้วยกรรมก็ยิ่งมาก บาปก็เพิ่มมากอากุศลเพิ่มมากใช้ไม่ได้เลยพูดกันให้เต็มปากเต็มคำเลยนะ้ามันมีมาทำยังไงถ้าตั้งใจว่าจะแก้ไขนั่นถูกต้องทันทีเลยนะกลายเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันก็มีอย่างนี้การปฏิวัติธรรมไม่ว่ากันแต่ต้องพยายามที่จะแก้ไขอยู่อย่างนั้นนี่มันจึงลงมา ว่าเออทุกคนนะพยายามปฏิบัติแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นมานี้ก็เป็นธรรมเพราะมันเป็นทางดําเนินไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของแต่ละคนจะไม่ให้มีกิเลสเลยมันก็ไม่ได้มีขึ้นมาจะไปตำหนีตีเตียนกันเมือนก็ไม่ใช่พูดก็พูดเพื่อให้รู้ทางเพื่อเอามาแก้ไขตัวเองละมัดลวงตัวเอง มันไม่ใช่จะไปประนามย้ำเหยียดคนนั้นคนนี้มันไม่ได้เกี่ยวไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็ลังเกียดทุกคน่สิพอสอนคนมีกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นด้วยจิตที่มีเมตตาต่างหากอยากให้รู้ทางอยากให้รู้วิธีแก้ไขไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีมันเหยียบย่ําจิตใจของคนนั้นต่อไป นั่งภาวนากันใบสักหน่อยนะให้ได้ดูตัวเองโดยที่ไม่ต้องฟังดูบ้างทางสตินะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะให้มันเห็นให้มันเห็นตัวเองให้มันรู้ว่าเราทำอะไรอยู่สุดท้ายน้วตั้งใจให้มันให้มันบอกกับตัวเองได้ว่าเราทำอะไร เราดูอะไรจิตเราอยู่ยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเหมือนกับเหมือนกับรู้ให้ตั้งปณิธานาพระเจ้าเจะมั่นคงในพระพุทธธรรมมะทรงตลอดไปและจะพยายามประพฤติธปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป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 สกิเลสสามนาสามพุทธาระเสริฐชบดพรง์เอง